เพราะเธอไม่ได้เจริญเพราะเธอไม่ได้เจริญอะไรคือเพราะเธอไม่ได้เจริญสติปทานสประการไม่ได้เจริญสัมมาปทานสประการไม่ได้เจริญอิธิบาทสประการไม่ได้เจริญอินรี่หประการไม่ได้เจริญพะละหประการไม่ได้เจริญพ่ชง7ประการไม่ได้เจริญอริยมรรมีองค์8 ไข่ไก่แปดฟองสิบฟองหรือส2บสองฟองไข่เหล่านั้นแม่ไก่ไม่ทับไม่กกไม่ฟักให้ดีแม่ไก่นั้นถึงจะมีความปรารถนาอย่างนี้ว่าทำอย่างไรหนอลูกของเราจึงจะทำลายกระปาะไข่ด้วยปลายเล็บเท้าหรือด้วยจะงอยปากออกมาโดยความสวัสดีก็จริงถึงอย่างนั้น ลูกไก่เหล่านั้นก็ไม่สามารถทำลายกระเปะ๋อไข่ด้วยปลายเล็บเท้าหรือด้วยจะงอยปากออกมาโดยสวัสดีได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะไข่ไก่แดฟองสิบฟองหรือส2สองฟองนั้นแม่ไก่ไม่ทับไม่กกไม่ฟักให้ดีแม้ฉันใดภิกษุว่าฉันนั้นเหมือนกันเมื่อไม่ประกอบภาวนาอยู่เนืองๆถึงจะมีความปรารถนาอย่างนี้ว่า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 ไม่ได้เจริญอิทิบาสี่ประการไม่ได้เจริญอินรี่ห้าประการไม่ได้เจริญภละห้าประการไม่ได้เจริญพชชงเจ็ประกา ร, ไ ม, ไ, ร, ร, การไม่ได้เจริญอริยมรตมีองค์8ภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุประกอบภาวนาอยู่เนืองๆถึงจะไม่มีความปรารถนาอย่างนี้ว่าทำอย่างไรหนอจิตของเราจึงจะหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นก็จริง ถึงอย่างนั้นจิตของเธอก็หลุดพน้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรข้อนั้นพึงกล่าวได้ว่าเพราะเธอได้เจริญเพราะเธอได้เจริญอะไร <subject> คือเพราะเธอได้เจริญสติปทานสี่ประการได้เจริญสัมมาปทานสี่ประการได้เจริญอิทิบาสสี่ประการได้เจริญอินสี่ห้าประการได้เจริญพละหประการ ได้เจริญพชงเจ็ประการได้เจริญอริยมัติมีองค์8ไข่ไก่แปดฟองสิบฟองหรือสิบสองฟองไข่เหล่านั้นแม่ไก่ทับกกฟักไว้ดีแม่ไก่นั้นถึงจะไม่มีความปรารถนาอย่างนี้ว่าทำอย่างไรหนอลูกของเราจึงจะทำลายกระเปะ๋อไข่ด้วยปลายเล็บเท้าหรือด้วยจะงอยปากออกมาโดยสวัสดีก็จริง ถึงอย่างนั้นลูกไก่เหล่านั้นก็สามารถทำลายกระเป๋ะไข่ด้วยปลายเล็บเท้าหรือด้วยจะงอยปากออกมาโดยสวัสดีได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะไข่ไก่แปดฟองสิบฟองหรือสิบสองฟองนั้นแม่ไก่ทับกกฟักไว้ดีแล้วแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อภิกษุประกอบภาวนาอยู่เนืองเนงถึงจะไม่มีความปรารถนาอย่างนี้ว่า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 ได้เจริญอิทิบาสี่ประการได้เจริญอินรี่ห้าประการได้เจริญพละห้าประการได้เจริญพชชงเจ็ดประการได้เจริญอริยมัคมีองคป8รอยนิ้วมือหรือรอยนิ้วหัวแม่มือปรากฏอยู่ที่ด้ามมีดของช่างไม้หรือลูกมือของช่างไม้แต่ช่างไม้หรือลูกมือของช่างไม้นั้นหารู้ไม่ว่าวันนี้ ด้ามมีดของเราสึกไปประมาณเท่านี้เมื่อวานนี้สึกไปประมาณเท่านี้วันก่อนๆสึกไปประมาณเท่านี้ที่แท้เมื่อด้ามมีดสึกไปแล้วช่างไม้หรือลูกมือของช่างไม้นั้นก็รู้ว่าสึกไปแล้วแม้ชันใดภิกษุก็ชันนั้นเหมือนกันเมื่อประกอบภาวนาอยู่เนืองๆหารู้ไม่ว่า วันนี้อาสะวะทั้งหลายของเราสิ้นไปประมาณเท่านี้เมื่อวานนีน้สิ้นไปประมาณเท่านี้วันก่อนๆสิ้นไปประมาณเท่านี้ก็จริงถึงอย่างนั้นเมื่ออาสะวะสิ้นไปแล้วเธอก็รู้ว่าสิ้นไปแล้วภิกษุทั้งหลายเมื่อเรือเดินสมดที่ผูกด้วยเครื่องผูกคือไวจอดอยู่ในน้ำตลอดฤดูฝนพอถึงฤดูหนาวเขาก็เข็นขึ้นบก เครื่องผูกเหล่านั้นต้องลมและแดดถูกฝนตกรถย่อมผุเปื่อยไปโดยง่ายแม้ชันใดภิกษุก็ชันนั้นเหมือนกันเมื่อประกอบภาวนาอยู่เนืองๆสังโยชน์ทั้งหลายก็เสื่อมสิ้นไปโดยง่ายเช่นกันว่าสิทธะสูตรที่9ก้า อันนี้จะสัญญาสูตรว่าด้วยอันนี้จะสัญญาเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอันนี้จะสัญญาความหมายรู้ว่าไม่เทียงที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมครอบงมการมรรคาความติดใจในการมคุณรูปรรคะความติดใจในรูปธรรมภวะราคะ ความติดใจในภพและอวิชชาความไม่รู้จริงทั้งปวงได้ทอนอสมิมานะความถือตัวว่าเป็นเราทั้งปวงได้ในศาสตร์ฤดูชาวนาเมื่อไถนาด้วยไถคันใหญ่ย่อมไถ ท, ทำลายรากหญ้าที่เกี่ยวเนื่องทุกชนิดแม้ฉันใดอันนี้จะสัญญาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมครอบงมกามราคะ รูปราคะภวราคะและอวิชชาทั้งปวงได้ทอนอสมิมาณนะทั้งปวงได้คนเกี่ยวหญ้ามุงกระต่ายเกี่ยวเสร็จแล้วจะปลายเขยา่าฟาดสลัดออกแม้ฉันใดอันนี้จะสัญญาที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วก็ฉันนั้นเหมือนกันละถึงทอนอสมิมาณนะทั้งปวงได้เมื่อพวงมะม่วงขาดจากขั้ว บรรดามะม่วงเหล่านั้นมะม่วงที่ยังติดอยู่ที่ขู้ทั้งหมดก็หลุดไปตามพวงมะม่วงนั้นแม้ฉันใดอันนี้จะสัญญาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วก็ชันนั้นเหมือนกันและถึงทอนอสมิมาณนะทั้งปวงได้กรอนของเรือนยอดทั้งหมดทอดไปถึงยอดรวมลงที่ยอดยอดเรือนชาวโลกกล่าวว่าเลิศกว่ากรอนเหล่านั้นแม้ฉันใด อันนี้จะสัญญาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วก็ฉันนั้นเหมือนกันละถึงท้อนอสมิมาณะทั้งปวงได้กลิ่นหอมที่เกิดจากรากชนิดใดชนิดหนึ่งกฤษศนาชาวโลกกล่าวว่าเลิศกว่ากลิ่นหอมที่เกิดจากรากเหล่านั้นแม้ฉันใดอันนี้จะสัญญาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วก็ฉันนั้นเหมือนกันละถึงท้อนอสมิมาณะทั้งปวงได้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 แม้ชันใดอันนี้จะสัญญาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วก็ชันนั้นเหมือนกันและถึง้อนอสมิมาณะทั้งปวงได้พระราชาผู้มีอำนาจน้อยทั้งปวงย่อมคล้อยตามพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิชาวโลกกล่าวว่าเลิด ก, กว่าพระราชาผู้มีอำนาจน้อยเหล่านั้นแม้ชันใด อันนี้จะสัญญาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วก็ฉันนั้นเหมือนกันและถึงทอนอสมิมาณนะทั้งปวงได้แสงสว่างของดวงดาวทั้งหมดไม่ถึงเสี้ยวที่16แห่งแสงสว่างของดวงจันแสงสว่างของดวงจันชาวโลกกล่าวว่าเลิศกว่าแสงสว่างของดวงดาวเหล่านั้นแม้ฉันใดอันนี้จะสัญญาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วก็ฉันนั้นเหมือนกัน ละถึงทอนอสมิมาณนะทั้งปวงได้ในศาสต ร, ร์ฤดูเมื่อฝนขาดหายปราศจากเมฆดวงอาทิตย์อุไทยขึ้นสู่ท้องฟ้ากำจัดความมืดที่อยู่ในอากาศทั้งหมดย่อมส่องแสงแผดแสงและแจ่มกระจ่างแม้ชันใดอ น, นิจจสัญญาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วก็ชันนั้นเหมือนกันย่อมครอบงมกามราคะรูปมราคะภวะราคะ และอาวิชาทั้งปวงได้ถอนอสมิมาณะทั้งปวงได้อณิจจะสัญญาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วอย่างไรจึงครอบงมการมาราคะทั้งปวงได้และถึงถอนอสมิมาณะทั้งปวงได้คืออณิจจะสัญญาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้ว่ารูปเป็นดังนี้ความเกิดขึ้นแห่ clarify, งรูปเป็นดังนี้ความดับแห่งรูปเป็นดังนี้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 ถอนอสมิมาณะทั้งปวงได้อันนีจะสัญญาสูตรที่10จบปุปภวัคที่ห้าจบรวมพระสูตรที่มีในวร์นี้คือหนึ่งนาทีสูตร 2. ปุพสสูตร 3. เพนะปินทูปะมะสูตร 4. โคมยะปินทสูตร 5. นขสิกขาสูาสตร 6. สุทิกะสูตร 7. คัตทุละพัทสูตร 8. ทุติยะคัทุละพัทสูตร 9. ว, วาสิชตะสูตร 10. อนิจจสัญญาสูตร มัชฌิมปัณญาจบบริบูรณ์รวมวักที่มีในมัชฌิมปันญานี้คือ 1. อุปยวักสออรหันตวักสามขัจฉนิยวักสี 4. เทระวักห้ 5. ปุกภวักรวมห้าวักเรียกว่าทุติยปัญ น, นา ปัญ น, นาตหนึ่งอันตวัคหมวดว่าด้วยที่สุดหนึ่งอันตะสูตรว่าด้วยที่สุดเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายที่สุดสี่อย่างคือหนึ่งที่สุดคือส ก, กายะกายของตน 2. ที่สุดคือเหตุเกิดแห่งส ก, กายะ 3. ที่สุดคือความดับแห่งสักกายะ 4. ที่สุดคือปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสักกายะที่สุดคือสักกายะเป็นอย่างไรคือควรกล่าวได้ว่าที่สุดคือสักกายะนั้นได้แก่อุปาทานขันหประการอุปาทานขันหประการอะไรบ้างคือ 1. รู ป, ปูปาทานขันอุปาทานขันคือรูป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 ที่สุดคือเหตุเกิดแห่งสักลายะเป็นอย่างไรคือตัณหาอันทําให้เกิดอีกประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความกําหนัดมีปกติเพลิดเพลินยิ่งในอารมณ์นั้นๆได้แก่ 1. นึกามตัณหาความทยานอยากในกาม 2. ภวะตัณหาความทยานอยากในภพสาวิภวตัณหาความทยานอยากในวิภพนี้เรียกว่า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 สัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบนี้เรียกว่าที่สุดคือปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสักกายภิกษุทั้งหลายที่สุดสี่อย่างเหล่านี้แลอันต่สูตรที่หนึ่งจบ ว่าด้วยทุกขเรื่องเกิดขึ้นที่ครูงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงทุกขทุกขสมุทัยเหตุเกิดทุกทุกขนิโรธความดับทุกขและทุกขณนิโรธาคามิหนีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์เธอทั้งหลายจงฟังทุกข์เป็นอย่างไร คือควรกล่าวได้ว่าทุกนั้นได้แก่อุปาทานขันห้าประการอุปาทานขันห้าประการอะไรบ้างคือ 1. รูปูปาทานขันและถึง 5. วิญญาณูปาทานขันนี้เรียกว่าทุกข์ทุกขสมุทัยเป็นอย่างไรคือตัณหาอันทําให้เกิดอีกประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความกําหนัด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 ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นอย่างไรคืออริยมรรคมีองค์8ดนี้แลได้แก่หนึ่งสัมมาทิฏฐิและถึง8สัมมาสมาธินี้เรียกว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาทุกขสูตรที่สองจบ 3. สักกายสูตรว่าด้วยสักกายเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงสักกายเหตุเกิดแห่งสักกายะความดับแห่งสักกายะและปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสักกายะเธอทั้งหลายจงฟังสักกายเป็นอย่างไรคือควรกล่าวได้ว่า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 มีปกติเพลอดเพลินยิ่งในอารมณ์นั้นๆคือ 1. กามตันหา 2. ภาวะตัญหา 3. วิภาวะตัญหานี้เรียกว่าเหตุเกิดแห่งสักกายะความดับแห่งสักกายะเป็นอย่างไรคือความดับตัญหาไม่เหลือด้วยวิราคะความสละความสละคืนความพ้นความไม่อาลัยในตัญหานี้เรียกว่า ความดับแห่งสักกายะปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสักกายะเป็นอย่างไรคืออริยมรรคมีองค์8ดนี้แลได้แก่ 1. สัมมาทิฏฐิ 2. สัมมาสังกัปปะและถึง8สัมมาส ม, มาธินี้เรียกว่าปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งสักกายะสักกายะสูตรที่สจบ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 ได้แก่ท่านผู้มีชื่ออย่างนี้มีโตษอย่างนี้นี้เรียกว่าบุคคลผู้กำหนดรู้ปรินเยยสูตรที่สจบ 5. สมณะสูตรว่าด้วยสมณะ เรื่องเกิดขึ้นที่ครูงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอุปาทานขันหประการนี้อุปาทานขันหประการอะไรบ้างคือ 1. รูปูปาทานขันละถึง 5. วิญญาณูปาทานขันภิกษุทั้งหลาย สมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งไม่รู้ชาติคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากอุปาทานขันหประการนี้ตามความเป็นจริงสมณะหรือพรามเหล่านั้นไม่จัดว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะและไม่จัดว่าเป็นพรามในหมู่พรามทั้งท่านเหล่านั้นก็ไม่ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะหรือประโยชน์แห่งความเป็นพรามด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน ภิกษุทั้งหลายส่วนสมณะหรือพรามเหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากอุปาทานขันหประการ น, นี้ตามความเป็นจริงสมณะหรือพรามเหล่านั้นจัดว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะและจัดว่าเป็นพรามในหมู่พรามทั้งท่านเหล่านั้นก็ทำให้แจ้งซึ่งประโยชนแห่งความเป็นสมณะหรือประโยชนแห่งความเป็นพรามด้วยปัญญาอันยิ่งเอง เข้าถึงอยู่ในปัจจุบันสมณสูตรที่หจบ 6. ทุติยสมณสูตรว่าด้วยสมณสูตรที่สองเรื่องเกิดขึ้นที่ครูสาววัตถี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 ตามความเป็นจริงละถึงภิกษุทั้งหลายส่วนสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งรู้ชัดละถึงทั้งท่านเหล่านั้นก็ทําให้แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะหรือประโยชน์แห่งความเป็นพราหมณ์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันทุติยสมณะสูตรที่6จบ เจ็ดโสตาปันนสูตรว่าด้วยพระโสดาบันเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอุปาทานขันหประการนี้อุปาทานขันหประการอะไรบ้างคือหนึ่งรูปูปาทานขันละถึง 5. วิญญาณูปาทานขันภิกษุทั้งหลาย เมื่อใดอริยสาวกรู้ชัดความเกิดความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากอุปาทานขันหประการนี้ตามความเป็นจริงเมื่อนั้นอริยสาวกนี้เราเรียกว่าเป็นโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสำโพธิในวันข้างหน้าโซตาปนสูตรที่เจ็ดจบ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 หลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบอรหันตสูตรที่8จบ 9. ก้ฉันทปหานสูตรว่าด้วยการละความพอใจเรื่องเกิดขึ้นที่ครุงสาววัตถี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 รวมพระสูตรที่มีนิวั์นี้คือ 1. อันตสูตร 2. ทุกขสูตร 3. สักกายสูตร 4. ปริญเยยยสูตร 5. สมณะสูตร 6. ทุติยะสมณะสูตร 7. โสตปันณะสูตร 8. อาอรหันตสูตร 9. ชันทะปหานสูตร 10. พุติยะชันทะปหานสูตร 2. ธรรมกติกะวักหมวดว่าด้วยพระธรรมกถิก 1. หนึ่งอวิชชาสูตรว่าด้วยอวิชชาเรื่องเกิดขึ้นที่ครงสาวัตถี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 ภิกษุอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ผู้ได้สดับรู้ชัดรูปรู้ชัดความเกิดแห่งรูปและถึงรู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งรูปเวทนาสัญญารู้ชัดสังขารและถึงรู้ชัดปฏิปทาที่ให้ถึงความดับแห่งวิญญาณภิกษุนี้เราเรียกว่าวิชาและด้วยเหตุเพียงเท่านี้ บุคคลจึงเป็นผู้มีวิชาวิชาสูตรที่สองจบ 3. ธรรมกติกะสูตรว่าด้วยพระธรรมกถึกเรื่องเกิดขึ้นที่ครูสาวาที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 ละถึงเวทนาหากภิกษุละถึงสัญญาหากภิกษุละถึงสังขารหากภิกษุแสดงธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับวิญญาณควรเรียกเร้ ว, ว่าภิกษุเป็นธรรมกะึกหากภิกษุเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับวิญญาณควรเรียกได้ ว, ว่าภิกษุ